พระสาลีบุตรนั้นเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักและกล่าววาจาแสดงความเลื่อมใสของตนให้ปรากฏอยู่เนืองๆครั้งหนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณสวนมะม่วงของปาวาริกเกษตีเขตเมืองนาลันทาพระสารีบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักแน่ใจว่าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบัน ไม่มีสมณะหรือพรามอื่นใดจะมีความรู้ยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณดูกนสารีบุตรพระาศาสดาตรัสเธอรู้หรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตและในอนาคตที่มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้อีพระปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้ มีความหลุดพ้นอย่างนี้เธอจึงกล้ากล่าวอาสพิวาจาอันประเสริฐบลือสีหานาตต่อหน้าเราตถาคตอย่างนี้ไม่เลยพระเจ้าข้าพระสารีบุตรทูลตอบข้าพระองค์ไม่ทราบถึงวิหารธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตและในอนาคตเลยช่างเถิดสารีบุตรแต่เราผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในปัจจุบันนี้เธอรู้หรือว่า มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีวิหรารธรรมอย่างนี้มีความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ได้เลยพระเจ้าข้าดูก่อนสารีบุตรเมื่อเธอไม่มีเจโตปริยญาณในพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันดังนี้แล้วฉนายเล่าเธอจึงกล้าเปลงอสพิวาจาบลือสีห์น้าต่อนหน้าเราว่าไม่มีใครมีความรู้ยิ่งไปกว่าเรา ในทางพระสัมโพธิญาณข้าแต่พระธรรมราชาแม้ข้าพระองค์จะไม่มีญาณอย่างทราบถึงวิหรารธรรมเป็นต้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จริงแต่ข้าพระองค์ก็พอทราบอาการที่เป็นแนวของธรรมได้พอเปรียบเทียบได้เปรียบเหมือนนครที่มีป้อมปราการแน่นหนามีกำแพงและเชิงเทินมั่นคงมีประตูเพียงประตูเดียว คนยามผู้เฝ้าประตูพระนคร น, นั้นเป็นคนฉลาดคอยห้ามคนที่ควรห้ามอนุญาตให้เข้าไปเฉพาะคนที่ควรอนุญาตเขาเที่ยวตรวจดูตามแนวกำแพงรอบๆเมืองไม่เห็นช่องกำแพงแม้เพียงพอแมวลอดได้จึงคิดว่าสัตว์ที่มีร่างใหญ่จะเข้าออกเมืองนี้จะต้องเข้าออกทางประตูนี้เท่านั้นฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นพอทราบอาการที่เป็นแนวทำได้ คือข้าพระองค์คิดว่าพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีมาแล้วในอดีตและที่จักทรงอุบัติขึ้นในอนาคตล้วนทรงละนิวรณห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งใจถอนกำลังปัญญาล้วนมีพระมนต์ตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่เจริญสัมโพธิชงเจ็ดได้ตามเป็นจริงจึงได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ก็ทรงละนิวรณห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งใจถอนกำลังปัญญามีพระมนตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสเจริญสัมโพธชงเจ็ได้ตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ องค์ผู้เจริญพระสารีบุตรกราบทูลต่อไปคราวใดที่ข้าพระองค์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อฟังธรรมคราวนั้นพระองค์ทรงสแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมประหนี่จิ้งนักทั้งฝ่ายกุศลอกุศลพร้อมทั้งอุปมาอุปไมยอันไพเราะยิ่งพระองค์ทรงสแสดงธรรมพร้อมอุปมาอย่างใดข้าพระองค์ก็สามารถรู้ตามเข้าใจได้ซึ่งธรรมนั้น ได้ถึงความสําเร็จธรรมบางส่วนคือเข้าถึงธรรมบางส่วนในธรรมทั้งหลายแล้วจึงเลื่อมใสในพระองค์ยิ่งนักว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้เองโดยชอบแน่แล้วพระธรรมอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระสง์สาวกของพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วต่อจากนั้นพระสารีบุตรได้สารเสริญพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วอันทําให้ท่านเลื่อมใสอื่นอื่นอีกเป็นอันมาก ในที่สุดพระสารีบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโจมุนีสิ่งใดที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารุความเพียรมีความเพียรมั่นคงจะพึงบรรลุได้ด้วยเร็ยวแรงกําลังความเพียรและความบากบั่นของโบตรสิ่งนั้นอันพระผู้มีพระภาคได้บรรลุเต็มที่แล้วอันหนึง่งพระผู้มีพระภาคไม่ทรงหมกมุ่นผัวพันธุ์ในการมาสุขอันเป็นของเลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่เป็นประโยชน์แท้จริงพระองค์ไม่ประกอบตนด้วยอัตกิลมถานโยกการทําตนให้ลําบากโดยเปล่าประโยชน์สิ่งนั้นทําให้เป็นทุกข์เปล่าเปล่าไม่ประเสริฐเลยพระผู้มีพระภาคเมื่อจํานงหวังอยู่ย่อมได้ชานสีโดยไม่ยากอยู่สบายในปัจจุบันได้ตามพระประสงค์ข้าแต่พระจอมมุนีถ้ามีใครถามข้าพระองค์ว่า สมณะหรือพราหมณลาวอื่นทั้งในอดีตและอนาคตที่มีความรู้เยี่ยมยิ่งกว่าพระองค์มีอยู่หรือไม่ข้าพระองค์ก็จะตอบว่าไม่มีเลยถ้าเขาถามว่าในปัจจุบันเล่ามีไหมข้าพระองค์ก็จะตอบว่าไม่มีถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพราหมณ์ในอดีตและอนาคตที่มีความรู้เท่าพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิยามีอยู่หรือไม่ ข้าพระองค์ก็จะพึงตอบว่ามีอยู่ถ้าเขาถามว่าในปัจจุบันเล่ามีไหมข้าพระองค์จะตอบว่าไม่มีถ้าเขาถามว่าเหตุไรท่านสารีบุตรจึงตอบรับบางอย่างปฏิเสธบางอย่างข้าพระองค์พึงตอบเขาว่าข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคต เป็นผู้มีความรู้เสมอกับพระองค์ในสัมโพธิญาณแต่ข้อที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้นเป็นไปไม่ได้ ข้าแต่พระตถาคตเจ้าเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์ตอบอย่างนี้จะถือว่ากล่าวตามพระพุทธพจน์หรือไม่ชื่อว่ากล่าวแก้ถูกต้องเหมาะสมแลหรือข้าพระองค์ไม่พึงเป็นผู้ควรติเตียนแลหรือพระธรรมราชาตรัสว่าถูกแล้วสารีบุตรถูกแล้วเธอกล่าวแก้ชอบแก้คําถามแล้วเมื่อพระาศาสดาตรัสดังนี้ พระอุทายีซึ่งนั่งอยู่ที่นั่นด้วยได้กราบทูลขึ้นว่าอศจรจจ์นักพระเจ้าข่าไม่เคยมีมาได้มีขึ้นแล้วคือข้อที่ความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลามีอยู่แก่พระผู้มีพระภาคผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงปานนี้แต่ไม่ทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏพระองค์ผู้เจริญถ้าพวกเดรถีปริภาชกได้เห็นทำอย่างนี้ในตน แม้สักข้อหนึ่งพวกเขาจะต้องยกธงเที่ยบประกาศให้คนทั้งหลายรู้เป็นแน่แท้พระทศพลทรงรับถ้อยคำของพระอุทายีนั้นว่าเป็นความจริงและตรัสกับพระสารีบุตรอีกว่าสารีบุตรด้วยเหตุนี้เธอพึ่งกล่าวธรรมปริยายนี้เนืององแกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพราะว่า คนบางพวกอาจมีความสงสัยเคลือบแคลงในตถาคตอยู่เมื่อได้ฟังธรรมปริยายนี้แล้วจักละความสงสัยเคลือบแคลงนั้นเสียได้ธรรมปริยายนี้ชื่อสัมปัสสาธนิยะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเพราะพระสารีบุตาารอ克รสาวกเบื้องขวาได้ประกาศความเลื่อมใสของตนเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาค อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงแสดงยมุกปฏิหารปฏิหารที่ทรงแสดงเป็นคู่คู่เช่นท่อน้ําไหลออกจากพระหัตถ์ข้างซ้ายท่อไฟไหลออกจากพระหัตถ์ข้างขวาเป็นต้นแล้วเสด็จจาพรรษาณดาวดึงพิภพโปรดพระพุทธมารดาในวันออกพรรษาเสด็จลงจากเทวโลกณนะสังกัสนะครเมืองที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอยู่ในเวลานั้น ขณะที่พระาศาสดาหยุดประทับอยู่ที่ประตูเมืองสังกษะนั่นเองพระสารีบุตรมาถวายบังคมพระจอมุนีได้เห็นพระพุทธสริริความสง่างามของพระพุทธองค์อันตนไม่เคยเห็นมาก่อนจึงประกาศความเบิกบานพอใจขึ้นว่าพระาศาสดาผู้มีพระวาจา j ไพเราะทรงเป็นอาจารย์ของคณะเสด็จมาจากเทวโลกอย่างนี้พระเจ้ายังไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยดังนี้แล้วกราบทูลพระาศาสดาว่าพระเจ้าค่ะวันนี้เทวดาและมนุษย์ต่างกระยินยินดีต่อพุทธภาวะปรารถนาเป็นอย่างพระองค์เหลือเกินพระจอมุนีตรัสว่าสารีบุตรเอย๋ยธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยคุณเห็นป่านี้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นปราฏิผลขวายในฌานยินดีในพระนิพพานอันเป็นธรรมที่ออกจากกามสงบระงับเยือกเย็นเต็มที่เทวดาและมนุษย์ย่อมกระยิมยินดีต่อพระพุทธเจ้าเช่นนั้นท่ามกลางยมกปฏิหารสมาคมอันยิ่งใหญ่นี้ความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางสุขุมลุ่มลึกของพระสารีบุตรได้ปรากฏแล้วแก่ชุมนุมบริษัททั้งปวง ทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะในสมาคมนี้ได้มีการถามและตอบปัญหาธรรมกันมากพระาศาสดาได้ตรัสถามปัญหาหลายหลากเพื่อประกาศความรู้ทั่วถึงธรรมแห่งสาวกของพระองค์เป็นลําดับชั้นพวกผู้ทุชนไม่อาจแก้ปัญหาอันเป็นวิสัยของพระโสดาบันได้แม้พระโสดาบันก็ไม่อาจแก้ปัญหาในวิสัยของพระสะกะทาคามีพระสะกะทาคามีไม่อาจแก้ปัญหา ในวิสัยของพระอนาคามีพระอนาคามีไม่อาจแก้ปัญหาในวิสัยของพระอรหันต์แม้พระอรหันต์ธรรมดาก็ไม่อาจแก้ปัญหาในวิสัยของพระมหาโมคัลานะได้พระมหาโมคคัลานะก็ไม่อาจแก้ปัญหาในวิสัยของพระสาริบุตรแม้พระสาริบุตรก็ไม่อาจแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้าเช่นกัน พระาศาสดาทอดพระเนตรทิศทั้งปวงสถานที่ทั้งปวงมีเนินเป็นอันเดียวกันคือมองดูเป็นพืชเดียวกันหลามล้นด้วยฝูงชนผู้มาเฝ้าทรงถามปัญหาสุดท้ายในวิสัยแห่งพระพุทธเจ้าทรงดมฤทิ์ว่าสารีบุตรมีปัญญามากก็จริงแต่ไม่อาจตอบปัญหาอันเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ให้ในถ้าให้ในสารีบุตรจะตอบได้ จึงทรงประธานในพอได้ในเท่านั้นพระธรรมเสนาบดีก็สามารถแทงทะลุ ป, ปัญหาเป็นร้อยในพันในผู้อื่นนอกจากพระศาสดาแล้วไม่มีใครมีปัญญาเสมอเหมือนพระธรรมเสนาบดีจนได้รับยกย่องจากพระทศพลว่าเป็นพระสาวกผู้เลิศทางปัญญาหาอะไรเปรียบได้ยากหยาดฝนในท้องฟ้าก็น้อยไป เม็ดทรายในมหาสมุทรก็น้อยไปแผ่นดินว่ากว้างใหญ่ก็ยังไม่เท่าปัญญาของพระสารีบุตรท่านเป็นผู้มีปัญญาเกินเปรียบที่สุผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเห็นปานนี้เมื่อพระาศาสดายังไม่ประธานในก็ไม่อาจพิสชนาปัญหาในพุทธวิสัยได้ดูเถิดพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากเพียงใดเพราะทรงสั่งสมพระปัญญาบารมี มาเป็นเวลานานสุดจะขนาดนาได้พิสูจทั้งหลายชมเชยพระสารีบุตรว่าคนทั้งหมดที่มาประชุมกันไม่อาจแก้ปัญหาใดได้พระสารีบุตรผู้เดียวเท่านั้นแก้ปัญหานั้นได้พระศาสดาตรัสว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมีความยุ่งยากเกิดขึ้นคนผู้ไร้ปัญญามาประชุมกันแม้มากเป็นจํานวนพันคร่ําครวนอยู่ตั้งร้อยปี บุคคลผู้มีปัญญารู้อัดแห่งพาสิเพียงคนเดียวเท่านั้นพระเสดิฐกว่าเพราะสามารถเปลื้องคนเป็นอันมากออกจากทุกได้ รธรรมราชาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรสามารถแก้ปัญหาที่มหาชนไม่อาจแก้ได้ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยแก้มาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องปัญญาในอดีตของพระสารีบุตร ด, ดังต่อไปนี้ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้สละทรัพ์สมบัติออกบรรพชาเป็นฤาษีบาเพ็ญเพียรจนได้อภิญญาและสมาบัติอาศัยอยู่ในหิมมวันตประเทศมีฤาษีเป็นบริวารจำนวนมากต่อมาหัวหน้าสิทธิของพระโพธิสัตว์นั้นออกจากป่าเข้าไปในเมืองเพื่อลิ้มรสเปรี้ยวเค็มบ้างได้พาหมู่ฤาษีครึ่งหนึ่งไปด้วยเมื่อหัวหน้าสิทธิจากไปแล้วไม่นาน ก็ถึงการที่ฤาษีโพธิสัตว์มรณภาพพวกศิษย์พากันห้อมล้อมถามอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ได้บรรลุคุณวิเศษอะไรบ้างท่านอาจารย์ตอบว่าไม่มีอะไรเลยสักหน่อยหนึ่งนัตติกินจิตดังนี้แล้วมรณภาพไปเกิดในพรหมโลกชั้นอภัสราศิษย์ทั้งหลายสำคัญหมายว่าอาจารย์ไม่ได้บรรลุอะไร จึงมิได้ทําสการะในการชาปนกษษษษิจศพแต่แต่ชวนกันเศร้าโศกเคร่องครวนเมื่อหัวหน้าสิทธิ์กลับมาไม่เห็นอาจารย์จึงถามทราบความว่าอาจารย์สิ้นชีวิตเสียแล้วถามสิทธิ์ร่วมสํานักว่าก่อนตายท่านทั้งหลายได้ถามถึงคุณวิเศษที่อาจารย์ได้บรรลุหรือไม่ได้ฟังสิทธิ์ร่วมสํานักเล่าถึงคําพูดของอาจารย์แล้วก็เข้าใจความหมายว่า อาจารย์ได้บรรลุอากินจัญญายตนาชานเป็นชานลำดับที่เจ็ดจึงบอกสิทธ์ร่วมสำนักของตนแต่คนอื่นๆหาเชื่อไม่พระโพธิสัตว์ทราบเรื่องนี้จึงลงจากพรหมโลกด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่แสดงตนให้ปรากฏสันเสริญคุณของหัวหน้าดาบทว่าคนอื่นจำนวนพันหาปัญญาวิได้พากันคร่ำครวญอยู่ แต่ผู้มีปัญญาเพียงผู้เดียวรู้ความหมายแห่งคำสุภาษิตเป็นผู้ประเสริฐกว่าคนอื่นนับจำนวนพันนั้นพระศาสดาตรัสว่าหัวหน้าสิทธิในครั้งนั้นคือพระสารีบุตรในครั้งนี้ส่วนอาจารย์คือเราตถาคตนี่เอง อีกเรื่องหนึ่งพระตถาคตเจ้าทรงยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นบุรุษผู้สูงสุดเพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติแห่งบุรุษผู้สูงสุดนั้นมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณสาสิบรูปมาสู่สำนักพระาศาสดาพระพุทธองค์ทรงตรวจ ด, ดูอุปนิสัยแห่งภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงทราบว่ามีอุปนิสัยแห่งอรหัตผล แต่ต้องอาศัยการตอบปัญหาของพระสารีบุตรพระองค์จึงรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าตรัสถามปัญหาเกี่ยวกับอินทรี่ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาว่าสารีบุตรเธอเชื่อหรือไม่ว่าอินทรี่ห้ามีศรัทธาเป็นต้นที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด พระธรรมเสนาบดีกราบทูนว่าพระองค์ผู้เจริญอินสีห้ามีศรัทธาเป็นต้นอันบุคคลใดไม่อบรมให้มากไม่ทำให้แก้งด้วยตนเองไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาของตนเองผู้นั้นยังต้องเชื่อผู้อื่นอยู่ในเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลายติเตียนพระสารีบุตรว่าแก้ปัญหาไม่ตรงอวดเก่งไม่ยอมเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคทรงทราบคําติเตียนของภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครๆไม่พึงติเตียนสารีบุตรสารีบุตรไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอีกแล้วในเรื่องฌานวิปัสสนามรรคและผลเพราะสารีบุตรได้บรรลุเองได้เห็นเองแล้วไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในเรื่องความเชื่ออีกต่อไปดังนี้แล้วตรัสชมเชยพระสารีบุตรว่า บุคคลใดไม่เชื่อง่ายรู้จักพระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ตัดวัะได้แล้วกำจัดโอกาสแห่งการเกิดใหม่ได้แล้วเพราะละเสียได้ทั้งบุญและบาปคลายความหวังทั้งปวงออกหมดแล้วบุคคลเช่นนั้นแลเป็นบุรุษผู้สูงสุด